ไม่สงบใครรู้ว่าจิตไม่สงบจิตสงบใครรู้ว่าจิตสงบเมื่อจิตไม่สงบก็ ร, รู้ว่าจิตไม่สงบเราก็จะได้ความใช่อุบายที่ได้อุบายจากจิตไม่สงบคือมันทุกข์ เพราะมันทุกข์จึงไม่สงบเพราะมันไม่สงบจึงอยาทุกขเ <c oughs> มื่อเรากําหนดรู้ทุกข์ก็เป็นของจริงเราจะได้อุบายกว้างขวางกว่านั่นอีกถ้าเราพยายามกําหนดผู้จิตไม่สงบได้รู้ทุกขนะ์น่ะจะได้ความรู้จักนี่เยอะที่เดียวแหละเราอยากไปรังเกียจ้ทุกข์เกิดขึ้นไม่อยากมันสงบอันความอยากนี่เองหาปหามาแทนที่จะรู้ทุกข์ก็ไปเลยรู้ กลับไปรู้ความสุขก็ไม่ได้ทุกข์ก็ไม่รู้นี่การพอวนาเพราะฉะนั้นนะเราต้องทำเรียกว่าอุบายแยกขายคืออุบายแยกขายนี่สำคัญมากมันต้องมีเกิดขึ้นกับบุคคลผู้มีความดำริที่ถูกต้องมีความเห็นถูกต้อง ใช้อุบายใช้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่ให้มันได้ประโยชน์เรียกว่าโรคปัจจุบันเมื่อธรรมดาจิตแรกมันก็ยังไม่สงบยิ่งเรามาอยู่ในขันในกายนี้ด้วยความไม่สงบของกายเนี่ยความทุกข์ของกายมันหนีมากพอนั่งมาแล้วมันเจอทุกข์ก่อนเพื่อนเลย มันเจอทุกในก่อนเพื่อนก่อนใดๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นในสัต์จะทำึงท่านจึงตั้งทุกข์ขึ้นก่อน <c oughs> ในอริยสัจทนี้ถ้าเราไม่ชอบทุกข์เกิดความอยากสงบขึ้นมาแล้วก็หาความสงบไม่ได้จากการหาเพราะเรารู้อยู่แล้ว ความสงบคืออารณมณ์มันน้อยความคิดมันน้อยถ้านั่งไปมันเรามาอยู่ในขันในกายนี่มันทุกข์เมื่อนั่งไปมันก็เจอทุกข์ก่อนแล้วก็ต้องยอมรับทุกข์นี่อยู่จริงทุกข์เพราะเรายึดถือเรายังปล่อยวางไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจว่าทุกข์นี่เป็นอนัตตานี่ <c oughs> ไม่ใช่อัตตานึกว่ามันแยกไม่ออกเข้าใจว่อเหมือนกับน้ำแค็มมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนื้อกับเป็นธาตุอันเดียวกันทุกกับจิตใจเท่ากับนื้อกัเป็นธาตุอันเดียวกันแท้จริงมันแยกกันได้เมื้งกับ น้ำกับความเค็มของน้ำมันคนละาธาตุกันแต่เราจะแยกโดยกรองโดยหยากๆก็ไม่ได้แยกจริงๆก็ไม่ต้องอาศัยความร้อนต้องกลั่นเป็นไอออกมาน้ำละเอียดกว่าเป็นไอออกมากระทบความเย็นกลับเป็นน้ำขึ้นมาอีก ได้น้ำที่บริสุทธิ์ไม่มีรสเข็มเลยทุกเป็นเวทนาที่อยากไม่ใช่จิตแต่อศายพัฒะนะผู้เกิดขึ้นคืออุปทานที่เองเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่หวั่นไหวในเรื่องทุกเกิดขึ้นแล้วก็ภาวนาบริกรรมอะไรแล้วก็ทำงานส่วนนั้นเฉยในทุกไปกอด ถ้าจิตของเราไม่หวั่นไหวในเรื่องทุกเฉยไปเฉยไปไม่สนใจมันก็ผัสสะไม่มีชาผัสษะขาดแล้วก็ทุกขเวทนามันก็ขาดคือมันไม่ต่อจิตมันไม่ต่อในรูป <c oughs> นา ม, มารูปมันไม่ต่อกัน จิตก็ไม่ต่อในานามมาลูกมันโยนสงบปล่อยวางได้ที่นี่เวทนาที่ยาวคือทุกหมดไปแต่เวทนายังไม่หมดนะมันยังสุขเกิดขึ้นแต่มันก็มีประโยชน์มีประโยชน์ออกมากความสุข <c oughs> เพราะไอ้เกิดใจผ่องใสเกิดใจสะอาด ขึ้นมามีกำลังใจให้เกิดศรัทธาเพราะฉะนั้นเราพยายามกำหนดหลักได้จับหลักอันนี้ให้ได้ระวังจิตของเราให้มากไม่ให้หลงทุกเกิดขึ้ น, นือย้าวั่นไหวอย่ากลัวจนเกินไปอย่าไปคิดสร้างทุกข์ให้มันกำเริบขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวกันนี้ขึ้นมา มันไม่เป็นหรอกประการที่สองสัญญาที่ปรุงขึ้นในจิตเกิดขึ้นในจิตเอง <c oughs> ที่เราได้ยินได้เห็นจากการงานจากการกระทำหลายๆอย่างมันก็เป็นอารมณ์ทั้งนั้นถึงแม้เราเลิกจากอดีติพันมาแล้ว แต่สัญญามาเก็บไว้พอจิตมานั่งสมาธิอันนั้นมันโผล่ขึ้นมามันเพราะมันไปอยู่ในสัญญาเหมือนกับอัดเทพเสียงนี่แหละมันไปอยู่ในม้วนเทพหมดเสียงเหล่านั้นเอพอมาเปิดมันก็ออกจากมันเทพธรรมชาติของคนเราก็คือสัญญานี่เอง ที่มันเก็บที่บันทึกไปหลายอย่าง <c oughs> ลบยากที่สุดทำความดีไว้บันทึกความดีไว้ก็ไม่มีใครลบได้ <c oughs> จนกว่าจะเป็นผลขึ้นมา <c oughs> ทำความชั่วก็เหมือนกันลบยากเราเราสังเกตดูเรื่องไม่ดีตั้งแต่เล็กๆลกน้อย้อยก ยังไม่ลืมะเรื่องความดีก็เหมือนกันแต่เรก่องน้อยเคยทำอะไรบ้างพอรู้แต่มันก็จำได้ตลอดไม่ลบได้ยงไม่อยากรู้มันก็รู้อันนี้จะกลายมาเป็นอารมณ์ที่ก่อกวนไม่ให้สงบพะฉะนั้นท่านจึงพยายามให้มีสติตัวเดียวเท่านั้นเนี่ยที่จะตัดสิ่งเหล่า น, นี้ได้ สติกะเต้าปัจจุบันทมที่ระลึกกะเต้าปัจจุบันเป็นคู่กับสติ <c oughs> ที่ปรเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลมหายใจมีปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอานาคต่ันยังสอนให้กาหนดลมหายใจเข้าออกลมอดีตนั้นก็ไม่มีมันไม่ปรากฏลมอานาคตก็ไม่ปรากฏลมหายใจมีแต่เฉพาะปัจจุบัน จึงไปให้กำหนดหรืออารมณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเพื่อสติเกิดปัจจุบันอยู่ปัจจุบันทีนี้ทำที่เกิดปัจจุบันอะไรเฉพาะหน้าก็าคือทุก์ในที่แรกทุกนั่นแท้จริงนั้นเวทนามันเป็นอนิจจามันมีช่วงระยะหนึ่งถ้าเราไม่เผลอถ้าจิตตั้งไ ด, ด้ดี มันไม่ต่อขึ้นมาอีกมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่มีเผลอไม่มีความหลงกู้สนและทำเ ก, กล้า ม, มันก็จิตก็เป็นสมาธิเป็นหนึ่งเอกคตตารมเกิดขึ้นได้รับเราจิตให้สงบตั้งมันแต่ถ้ากำลังสมาธิากำลัง เนี่ไม่พอมันเถลอขึ้นอีกมันก็ต่อมาอีกเวทนาก็ไม่มีที่สุดดับยังไม่ได้เพราะจิตไปต่อเพราะความเถลอเพราะสัญญานั่เองจังพยายามทําความดีและลึกถึงความดี <c oughs> ก่อนจะนั่งสมาธิและลึกถึงสิญ ศีลก็ต้องมีในตัวของเราถ้าไม่มีก็ระลึกไม่ได้ลึกศีลก็ระลึกถึงกายของเราที่เราไม่ปัจจุ บ, บันที่เราสรํารวจไปแล้วคือสารวม ก, กา ย, ยานี้เองวาจา ก, ก็สํารวจกายเราก็นั่งเรียบร้อยวายจาเราก็ึอ่าไม่ได้ใช้